การความปสู่ความตัใจของเราในเรื่องอื่นใดวิ่งางงานปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้เกิดความสงบเพราะความสงบนีน่แหลเกเป็นพื้นฐานที่รับรองความสุขไว้ความสุขที่เกิด ขึ้นแต่ขึ้นฐานดับเรารคือความสงบนี้เป็นวามสุดที่พระพุธทธเจ้าพระองค์ค้นพบที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทรงสั่งสอนเธยแพข่ใ้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานนตามลำดับเราทั้งหลายเรื่มใสในปฏิปทาการปฏิบัติในทางสวามสงบนี้เอง จึงได้มีจัดตาเสืออสละสิงทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเพื่อนฐานคือความสงบในทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราถือว่าความสงบนี้เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งแต่โดยปกติแล้วจิตใจของเรานี่จะสงบได้ยาก ก็จะต้องคิดอารมณ์นึกอารมณ์เที่ยวไปสามอารมณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เพิเป็นจะต้องใช้จิตใช้สัญญาเป็นเครื่องรักษาเข้าไปช่วยเหลือจิตใจด้วยจนลำพังของใจแล้ว จะถูอารมณ์สังสายจากภายนอกมาพาไปเดินไปเที่ยวยไปไม่ในที่ห ย, ยุดเยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้มาถึงแล้วคำว่าความสงบนี้ ไม่มเนื่องจากใจะสงบถ้าจิตไม่สงบแล้วไปหาความสงบที่ไหนไม่มีึ่งถ้าจิตสงบแล้วทุกอย่างก็สงบทันทีเพราะฉะนั้นความสงบในทันทีลงที่จิตความสุดกก็เกิดขึ้นที่จิตเช่นเดียวกัน ไม่ได้เกิดข sí ึ้นที่อื wow ่นทุกทีเมื่อเราเข้าใจในส่วนความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยความสงบเกิดขึ้นที่นี้แล้วความทุกข์ล่ะมันจะเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้ความไม่สงบจะเกิดขึ้นที่อื่นไม่ได้ต้องเกิดขึ้นที่นี่ เกี่ยวแน่นใจจิตจ็บแน่นมีอยู่ทุกทุกคนเพราะฉะนั้นความสงบและมั่งบจจึงมีทุกคนจึงเป็นจำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกคนทุกคนต้องช่วยเราเองต้องปฏิบัติเราเองเราต้องดูเข้ามาน้อมเข้ามาหาจิตใจของเราเอง คืแม้ว่าจิตใจจะเป็นธรรมชาติที่อยู่นิ่งได้ยากกว่าแต่เราก็หาอุบายให้มันอยู่โดยสติโดยปัญญาเรทําทันที่โอสมเดชปัตมารันพุทธเจ้าพระองค์ไทยได้ผลมาแล้วได้รับประโยชน์หมาแล้วสติปัญญาที่เราไม่ใช้ ก็คือเอาตสิไปสั้งแมสิอะลิกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความสังรวมเข้ามาเรียกว่าโอปันายใ่โกรนน้องเข้ามาหาผู้รู้ผู้คิดผู้นึกผู้รู้ว่าสงบและไม่สงบผู้รู้ว่าสุขและทุกข์เรากำหนดรวมเข้าไปเราจะรู้ได้ทันที เกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าในปัจจุบันในจิตของเราเป็นอย่างไรมีความสุขอยากอยากหรือมีความสุขอย่างละเอียดมีความสงบอยากอยากหรือมีความสงบอย่างละเอียดแต่เราปล่อยวางอารมณ์ยันอยากได้แล้วหรืออารมณ์ยังอยากยันเดลืออยู่ คนในสุดแนมะ่ลมหายใจของเราเราก็รู้ว่าลมหายใจของเราะละเอียดเก็นหยาบมีความเย็นหรือความยังไม่เย็นสนิทสิ่งตอนนี้เรารู้ได้โวยสติอรู้ได้ด้วยความรู้ตัว้วยความเข้าไปสามผัสไรเมื่อเรารู้ตัวชนิดแล้วนะเราพยายาม ทำความเข้าใจในใจเมื่อเราต้องการความสุขบางบรรดาบเราก็ปล่อยวางสิ่งทีสอยาเหมือนกับเราต้องการบริโภคอาหารหรือต้องการรับประทานข้าวเมือ่อไปเห็นข้าวเปลือกหาข้าสุกที่ไหนไม่มีหาข้าสามที่ไหนไม่มีเราก็เข้าใจข้าวสุก ม, มันก็ะยุนมาจากข้าวเปลือกนี่แหละ ข้าวสารก็มาจากข้าวเปลือกนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้เราเอาส่วนเปลือกส่วนหยากออกเสียแล้วมันก็กลายเป็นข้าวสารเราเคยเห็นว่าเขาก็เอาข้าวสารนี่แหละไปเป็นขา้มมาวสุกในกรรมวิสีคือเอาไปหุงไปต้มไปผุดกรรมวิธีถูกต้องที่เราเคยเห็นมาเคยรู้มาเราก็เอาข้าวสารนี่แหละใส่หม้อ ใส่น้ำไปต้งตั้งบนเตาเราคอยดูแลเมื่อน้ำเดือดใส่สุกความร้อนเดือดขึ้นมานล้วเข้าสารที่แข็งแข็งหยาบหยาต้กลายเป็นสิ่งเข้าสุกสิ่งนิ่อเข้าสุกสิควรเกิดการบริโภคเราก็บริโภคไปรักษาสบายใจในดัชนี เมื่อเราสงดจิตไปแล้วยังไม่เห็นความสนบก็ตายังไม่เห็นความสุขก็ตาให้เพิ่งเข้าใจว่าความสุขและความสงบนั้นขยโยตรงที่ไม่สงบนี่แหละตรงจิตที่ไม่สงบนี่แหละเมื่อเราพยายามใช้อุบายให้ความสงบนี่คอยหมดไปค่อยจืดจางไปให้เหลือแต่อารมณ์อันเดียวจิตตั้งผู้รู้อันเดียว เอกังจิดต่างให้มีคิดอารมณ์อันเดียวเอกังทำบางให้มีทำส่วนเดียวเราบรรลุส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนลมหายใจเข้าออกเราก็สร้างบรรลึกค่อยละเอียกไปตามบรรดบให้สบายสร้างความสงบสร้างความสบายและปล่อยวางภาระที่เคยก่องวลที่เราเคยรู้ว่าเป็นปากหรือเป็นเปืเปอที่ทําให้อารมณ์ใหญ ในวัตถุในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสิ่งแบบนี้ล้วนจะเป็นเปือกของของข้อสารไทยนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยวางออกเปลือกนี้ไม่เอารูปเราไม่เอาเสียงเราไม่เอากลิ่นเราไม่เอารสเราไม่เอาแล้วเราเอาความรู้กับพุทธโธเราคอยค่อนให้สบายตามลำดัเมื่อจากใด สติของเราเข้าไปดน ล, ล็กความเพียรของเราพยายามเข้าไปสร้าอ <c oughs> พยายามกำหนดรู้ไม่ให้เผลอแล้วก็สร้างความสบายในความรู้สร้างสรรพาความเชื่อความเลื่อมใสในงานที่เราทำํำสร้างความดีใจความพอใจเรียกว่าขันทัความพอใจ เมื่อมีความพอใจในความสงบในการกำหนดแล้วจิตบาต ท, ที่ความสำเร็จก็ย่อมเกิดขึ้นความเพียรก็ตามมาความเอาใจใส่ไม่ให้เผลอก็ตามมาแต่ในจิตใจขเขาเมื่ออกทีนี้ความที่ทำให้เราขึ้นพอใจทำได้ก็คือความปวดบานทุกขโทในใจนี้เองที่เราหลาทางนี้แหละเป็นทาง ของพระอริยะทางทีพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญมาเราได้เจริญรอยตามพระองค์บัว่าเราเป็นผู้มีบุญบารมีทําได้สังสมอบรมมาแล้วพอสมควเราจึงได้มีโอกาสได้มาประปฏิบัติมาเจริญรอยตามพระองค์แล้วเกิดความดีใจที่เราได้มาปฏิบัติในวันนี้ เรื่องนันเฉพาะเรื่องนี้โอกาสที่จะดีถึงข้อเหมือนกับปัจจุบันนี้หายากที่ผ่านมาแล้วปล่อยจะได้มาเตรียมแล้วเตรียมอีกต้องรวบรวมไปจะได้เป็นกําลังสำเร็จเป็นรูปใดมาถึงได้มาปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายนะักอนาคตข้งหน้าอุปสรรคขัดขวางเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็มีร้อยแต่สำหรับพวกเรา ถึงอย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้ซึ่งชักขวารเราก็ได้สมเด็จแ ก, ก้ไขออกแล้วได้มาอยู่ในสถานที่สงบสงัดเรียกว่าป่าไม่ใช่ที่ธรรมดาไม่ใช่ในเมืองแต่เป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าพระองค์ชอบอยู่ป่าโยกภูกเขาเราก็ อ, อยู่ในกลางภูเขา <c oughs> ในสถานที่นี้ นั้นเมื่อเราได้มาแล้วเพื่อยากำรับความสบายและความดี <c oughs> เป็นครบเป็นครอบคู่กับสติกับความเยายามของเราคอยละสิ่งที่เป็นเปลือกออกคืออารมณ์อยากอยากเลิกุดโซพุดโซ ร, รวมรู้ในใจิตใจ ให้ความรู้เนี่ยรวมกันเป็นก่อนจุดเด็กๆ็กั้หมอนก็เขารวบรวมแต่งอิติๆเป็นจุดต่อมเล็กเท่าไรยิ่งมีพลังกลาขึ้นสามาถรถแผกเผาสิ่งที่ขัดขวางก็จัดออกได้ขนาดจิตของเราที่รวมอยู่ยิ่งให้เล็กเท่าไรยิ่งมีพลังมากถ้าเรา ใหญ่เท่าไรยิยรงย่งมีกำลังเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเราพัวพรวงความรู้ละสิ่งที่อยากออกเนื้อสิ่งเล็กอีกสิ่งที่มีประโยชน์มันกับอาหารที่เราบริโภคถึงแม้เราบริโภคมากมายจะเป็นกาสร์เปียบส่มากส่วนบํารุงชีวิตแทนเม็ดเกลียว ท, ท่านเองที่เกิดเม็ดเกลียวมีได้ไม่ใช่เป็นของมากเลยเอ่คือ บ, บํารุงนี้เพราะฉะนั้นสันใด คุณธรรมที่ความรู้ที่เรารู้มากมากนัน้นยังไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรแต่มันก็จาเป็นจะต้องอาศัยเหมือนกับแต่ก็จาเป็นจะต้องทิ้งเหมือนกับสาที่เราบริโภคอาหารจำเป็นจะต้องทายใจออกทิ้งไม่ใช่เป็นของเอาทั้งหมดแต่ฉันได้ความรู้ความปฏิบัติของเราพบให้ละไปตามระดับทิ่งไปตามนะดับ เหลือจนเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวณภายในส่วนเดียวพยายามที่กำหนดจะลึกไปเลื่อยไปเลืล่อไปแต่ตามระดับตามระดับปล่อยวางอารเรียกว่านั่งให้เป็นุกปฏิบัติให้นสนุก ตัใจพยายามทําไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิ้ัยเราต้องการความสุขความสบายอย่างอื่นเราเคยทํามามากเคยคิดมามากเคยหามามากแล้วเราไม่มองเห็นความสุขโดยการทําอย่างอื่นแส่วนเราอย่างอื่นเราอาศัยความสุขโดยทางกาย เมื่อเราพิจารณาหาความจริงนะเรามาพบความจริงนะไม่มีความสุขแม้มเป็นอิสเดียวในอัจภาพนี้เลยดูตรงไหนจะเต็มไปด้วยของไม่มั่นคงของไม่ถาหวนของไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ก่อป่วย ส่วนให้ตื้นโดนสวน่สวนให้คิดไนถ่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ส่วนไอ้สตรงในร่างกายไม่มีเพราะฉะนั้นมร <c oughs> <c oughs> นดิบทั้งหลายทา่านจึงสอนให้เราไม่ให้หลงไม่ควรหลงไม่ควรหวัง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้อาจารย์ภาพร่างกายเรามีความสุขเรามีความสบายเพราะร่างกายนี้เปียเหมืวลแสนเศียรที่มีาฟสิทธิ์อยู่ที่อาศัยความสว่างเราเข้าใจว่า เหความสว่างที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เลือกทำกิจอันใดอันหนึ่งเราเลือกว่าจะมีอยู่อย่างนั้นเพราะเอตใจเพราะสิ่งที่เกิดก็เกิดขึ้นสิ่งที่หมดก็หมดไปไฟก็เกิดขึ้นอยู่ส่วนเชือของไฟก็หมดไปหมดไปหมดไป เมื่อเราต้องจัดเมือเ่อพราะอาศัยมีสว่างแล้วถ้าเราไม่รีบทําจิตที่ควรทําำรอยเวลาให้หมดไปหมดไปหมดไปไม่ทําอะไรมไเมื่อเสร็จเพิ่มในแสงสว่างไม่ทําจิตที่ควรทําแล้วไปทําจิตที่ไม่ควรทําพอถึงเวลานั้นเคื่อก็หมดไปใไ้ก็หมดไป ความแสงสว่างมันก็หมดไปด้ยวยไม่มีอะไรจะเก็บไว้ได้เลยทางงานของเราไม่ได้ทำเพราอาศัยแสงสว่างคือเพื่อนเมื่อไโทษเพื่เมื่อมืดเข้ามาอีกแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้คนะรับผลพิเศษเราเดินทางเมื่ไม่มีคนไม่มีสิ่งใดช่วยเดลือจะได้รับความลําบากอย่างไรบ้างกันได้ ชีว ung, ản, ิตของเราขึ้นมาขึ้นมามันก็กินเชื่อเราหาความรุงทุกวันทุกวันเรามองไปแตความรุงเพื่อให้อยู่ได้งานที่เป็นจาระมันคงที่ในชีที่ตจริงมีอะไรบ้างแต่เพียงไปหาเงินหาทองใครใครก็หาได้ก็กินได้มีอยู่ได้แต่เราคิดจะนานดยูนะมีเงินมีทองมีบ้านมีท่า ม, มีเครื่องอยู่อาศัยตลอดถึงมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มมียาเายสพย์คําบำัดโรคซึ่งตอานี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจะช่วยได้แค่ไหนจะให้ความสุขเย็นใจเพียงแค่ไหนจะสมหวังเพียงแค่ไหนสิ่งที่สมหวังที่พอใจไม่มีในวัดทุกแห่งเพราะเหตุใด เพราะสิ่งเหล่านี้มดไปมดไปถูกทําลายไปตลอดวันตลอดเวลาซึ่งตอนนี้เราไม่ได้มีฤมิตมาได้โดยง่ายจะต้องกกลทำลำบากที่ทําผิดใชวุ่นวายคงคากระท่ากระเทือนทั้งโลกทั้งแต่จินเพราะชีวิตอันนี้เองมีเรื่องปัญหาอยู่ร้อยแต่จะบอาวุธต่อสู้กันตลอดกันตลอดเวลาจ้างตามันพุทธิริษจ้างตา เพราะต้องการช่วยชีวิตอยู่รอดเพื่อความสุขนะเพราะฉะนั้นชีวิตก็วเองความสุขกัวเองที่เกิดขึ้นอาศัยอัตภาพหนึ่งไปพูดไปย่าถ้าอรียนเจ้าไม่มองเห็นความสุขแม้แต่ขณะหนึ่งเล็กน้อหนึ่งท่านจึงลหวชาติที่สุขาความเกิดเป็นพุทธท่นทนานพิจารณาแล้วเป็พูดไม่ใไก่นั่งหลับตื่นมาแล้วก็พูดรับเกิดเป็นพุทธเวลาหนึ่งท่านก็พูดอย่างนั้นเวลาไหนก็ตา่าง ท่นเห็นทุกอยู่ตลอดเวลาแมะ้จะเป็นอื่นก็ทุกได้นอนก็เป็นทุกไม่ได้นอนก็เป็นทุกเพราะกองทุกมันอยู่อันนี้มันเป็นภาระของจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่นานหละจึงให้ปลอยภาราะจึงมาภาวนาเพื่อปล่อยวางรูปอันนี้ทัื่อครูค่ทัวกล้าและจะมีความสุขเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไรบ้าง ถ้าเราไม่มีรูปมายึดรูปอันนี้ปล่อยวางลองดูก็ได้ทําจิตใจให้สงบไม่เกี่ยวข้องกับรูปเนะ่ยเกี่ยวข้องกับจิตที่พยายามรักษาในเรื่องพุทโธพุทโธน่อยก็เราปล่อยว่างมันไม่ไปไหนดอกรูปอันนี้เราสมุติขึ้นมาปล่อยวางขึ้นมันไปตัวไฮเนื้อจะจิตพุทโธตรงเดียวเท่านั้นเราก็สร้างความสงบสร้างความเย็นใจสบา เลือดสบายลมหายใจเข้าสบายหายใจออกก็บสกบายใ น, น, นพุทธโธที่พึ่งผมก็ให้เห็นว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีมีแต่พุทธโธนี่แหละเป็นสี่พึ่งของเราอยากเป็นเสื่อเราก็อยากจะพบที่พึ่งอย่างเป็นเสื่อให้สําผัสในจิตใจของเราอย่าได้ยินเป็นข่าวได้ยินเป็นคำพูด ให้จิตของเราได้ถึงพุทธโธจิตใจสิเราจะได้ขึ้นตรงสรัพุทธโธคืออะไรคือความรู้นี่เองความรู้ล้วนๆไม่เสียผนไปด้วยอย่างองื่นอพุทธโธไม่มอะไรเป็นของนี่แค่ครู้ ล, วล้วนๆเราได้ยังปฏิบัติเข้าถึงพุทธโธพุทธโธจนเป็นเพื่อนฐานตั้งมา่ แน่นอนสงบเรีสบายปราบเถ้าจพระองค์มีสิตนิสัจท่องใสบริสุทธิ์พุทธพ่อี่เราของเราก็ให้ได้บริสุทธิ์อย่างนั้นพุทธพอไม่มีความง่วงเหงาเหานอนครอบงำไม่มีมารคือความเสียข้าโยนในจิตใจไม่มีวานคือความพุ่งสร้างความรำคาญ เหลือในจิตใจไม่มีความสงสัยใดๆเกิดขึ้นในพุทโธเราําระไปตามนั้นแเละเรลือธรม ร, ธธ ร, มมอธรมชาตินิพพาณนิธรรมชาตินิละเอียดธรรมชาตินีสเขไพรเนตเอตังสั้นสั้เอตังกันเนสสั้เอตังเป็นของกันเนสเป็นของละเอียดเป็นของสงบบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ เราก็จะได้ถึงพุทโธสิทธิ์แท้จริงนี่แหละเป็นพึ่งของเราอย่างเป็นเสด็ถ้าเราได้พบได้เข้าถึงแล้วเราก็ไม่สงสัยว่าความสุขใท้จริงคืออะไรแต่ความสุขสิทธิ์จริงคือเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรนั่นเองสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เป็นภาระและจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มี เพราะฉะนั้นท่านจพีงสอนว่ายาโขคือการเสียสละปฏิบัตนินิจักโกรธคือบอกเลยว่าอนาลายยังไม่มีอะไรแต่นี่เป็นอญญริยสัจมิรกรสัจคือความดับทุกข์ตันห์ขยโยคือความ เส้นความอยากเพราะเมื่อเราปล่อยวางสิ่งต่อ น, นี้แล้วความโลภเพื่ออะไรความโกรธความหลงในสิ่งต่อ น, นี้มันก็ถูกทํำลายไปเองโดยฉะนั้นเมื่อไฟโลภราคะโทสะโมหะบักแล้วความร้อนก็เกิดขึ้นไม่ได้ความเย็นสนิก็ไม่ขึ้นในจิตใจของเรา เป็นความเด่นไปใช่สิมันโดออาศัยเหตุที่เรามากำหนดรูุ้ณนมารักษามาปฏาิบัติทมสังายเกิดจยากติดที่เราเห็นสิ่งที่อยากอยากิษนำให้ทุกข์เกิดทุกข์เกิดทุกคืออาศัยสรุปเสียงกลิ่นรสที่เราสังายเข้าใจว่าเรา มีความสุขเรามีความสบายถ้าเราดูสิ่งมันนี่แล้วไม่มีความสุขความสบายแม้แต่นิดเดียวดวงโลกจะมีอยู่ในอัตภาพร่างกายดูเส้นผมจะสุกได้อย่างไรมันก็เป็นเส้นผมดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อ ดูเอาไว้ว่าสัตว์ที่มีอยู่ในเราทุกๆคนเราดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปแล้วเป็นธรรมคืออนิจังอนิี้เจตตาทั้งนั้นเป็นธรรมคือทุกข์ขังทุกเหล่าไม่มีประโยชน์ที่กระทบกระเทือนติตใจม่วมองอเปล่า เป็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงข่อ น, นี่แล้วความอยากความโลภจะเกิดขึ้นเพื่อจริงตอนนี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายเมื่ความจริงข้อ น, นี้ถูกทำลายลบล้างความหที่เคยเห็นมาแต่ก่อน มาเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนเห็นความสงบเห็กนการละการปล่อยวางประเสริฐยิ่งกว่าที่เราเออก็บเอามามาสะสมมาวงไว้มารวบรวมไว้เราเห็นเป็นภาระเสียอีกแต่ก่อนเ้าคิดเห็นวา่าได้มากๆ ก, ก็ดี มีมากมายกรดิกากันหาก็จะได้ความสุขเพื่อใจเสียงพอเราหาไปแล้วได้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยได้มันก็ร่วงไหลไปหมดความสุขก็ถูกทําลายไปด้วยมันซ้ำซ้ำสัตว์ได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปก็เบื่อหน่ายขนดนั้นถ้าเราเราลูบความสุข จิตใจก็เห็นความนืว่าเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นสาระเราก็เห็นชาติจั่งทคำคสอนประพุทธเจ้าจิตใจก็ยิ่งเชื่อมั่นในคําสอนของเราพระองค์โทษไม่มีผิด แ, แม้แต่พระองค์ไม่พูดเราก็เห็นด้วยแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนพระองค์โทษ แล้วก็ะองค์หมพวกพระองค์หลั า, านเรี้ยนผ่านแล้วความจริงคนนี้ก็ยังมีอยู่ยังปรากฏอยู่ในใจของเราเมื่อจิตใจของเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตใจก็ปล่อยวางก็สงบเย็นสบายเราสามารถที่จะออกปากเลดลดในใจิตใจของเร า, า่คนอื่นเขาวุ่นวายเราไม่วุ่น ว, า, วายสบายเนอ คนอื่นเขาเดินรอนเราไม่เดินรนสบายคนอื่นเขาหย็นชื้เราปล่อยวางสบายแต่ยังสามารถรู้ความสบายในใจของเราความเย็นของเราความเคารพในคนประพุติประจาประจกความยิ่งมีขึ้นในจิต ใ, ใ, ใจมากขึ้นความอ่อนน้อม เมื่อจิดน้อมไปในทางคนตระพุษประทันประโสงด้วยความเรื่มใจแล้วเราครยใจะนึงมายกย่องสิ่งอื่นเป็นความสุขเนื้อกันปฏิบัติอบรมจิตใจในจิตใจไม่ยอมรับไม่เชื่อเลยเพราะเหตุใดเพราะปัญญาที่เราได้ที่จรนาสอบสอบ ตรวตรองดูแล้วเห็นชักในจิตในใจว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากทุกข์เพราะฉะนั้นต่อพุทธเจ้าเชื่ออุทานย่อยๆไม่มีอะไรคำว่าความเกิดเกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์มันเกิดเท่านั้นคำว่าดับก็ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์มันดับ เน่ยโดยคำที่ย่อยย่อคำว่าดับกันว่าไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์ดับถ้าหากสิ่งอื่นมันดับหมดแล้วโลกก็ไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติเรียกว่าดับแต่พระองค์ได้ในโลกพระอาิยเจ้าทั้งหลายได้ในโลกมันดับหมดแล้วที่เด็กก็คงจะไม่มีมาปองควรพวกล้วความเลาสดของคนแดับสุกแดดขาไปหมดทำไมสึ่งมีอยู่ในโลก มาควรเราเพราะฉะนั้นเข้ามาดับไม่ใช่วัาดับโลกดับดงอาทิตยงจันดับความโลภความโกคลงที่ในส่วนไนในโลกหมดไม่ใช่